จริยาหกอย่างบัดนี้จะอาธิบายความในหัวข้อสังเขปที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าอันเหมาะสมแก่จริยาของตนชนิดต่อไปคําว่าจริยาได้แก่จริยาหกอย่างคือราคะจริยาความประพฤติเป็นไปด้วยอํานาจราคะโทสะจริยาความประพฤติเป็นไปด้วยอํานาจโทสะ โมหจริยาความประพฤติเป็นไปด้วยอำนาจโมหะสัทธาจริยาความประพฤติเป็นไปด้วยอำนาจสัทธาพุทธิจริยาความประพฤติเป็นไปด้วยอำนาจปัญญาวิตติกะจริยาความประพฤติเป็นไปด้วยอำนาจวิตกคำว่าราคาจริยามีอัตถาวิเคราะห์ว่า ความท่องเที่ยวไปได้แก่ความเกิดขึ้นแห่งราคะในสันดานจนหนาแน่นเป็นอุปาณิสัยเรียกว่าราคะจริยาจริยาอื่นๆก็โดยทํานองเดียวกันนี้แต่เกจิอาจารย์ประสงค์เอาจริยาถึงสิบสี่อย่างโดยบวกจริยาแปดเข้าด้วยดังนี้คือจริยาอื่นอีกสี่ด้วยอำนาจการคละกันและต่อกัน ของราคะจริยาเป็นต้นคือราคะโทสะจริยาหนึ่งราคะโมหะจริยาหนึ่งโทสะโมหจริยาหนึ่งราคะโทสะโมหะจริยาหนึ่งและจริยาสีอย่างอื่นอีกด้วยอำนาจการคละกันและต่อกันของศรัทธาจริยาเป็นต้นคือศรัทธาพุทธิจริยาศรัทธาวิตกกาจริยา พุทธิวิตกกะจริยาศัทธาพุทธิวิตกกะจริยาแต่เมื่อจะกล่าวประเภทแห่งจริยาโดยอำนาจการคละกันและต่อกันอย่างนี้แล้วจริยาก็จะมีเป็นอเนกประการโดยยกเอาราคาจริยาเป็นต้นมาคละกันกับสัทธาจริยาเป็นต้นความสำเร็จแห่งอัธยาธิบายที่ประสงค์ก็จะไม่พึงมี เพราะฉะนั้นนักศึกษาพึงเข้าใจแต่โดยสังเขปว่าจริยามีเพียงหกอย่างเท่านั้นจริยานี้ท่านแสดงไว้โดยพิสดารในสังยุตตาสุตตาดีกาผู้ปรารถนาพึงตรวจ ด, ดูเถิดจริตบุคคลหประเภทคำว่าจริยาหนึ่งปกติหนึ่งความหนาแน่นหนึ่ง โดยใจความเป็นอันเดียวกันและโดยอำนาจแห่งมูลจริยาหกอย่างนั้นบุคคลจึงมีหกประเภทเหมือนกันดังนี้ราคะจริตบุคคลคนราคะจริตโทสะจริตบุคคลคนโทสะจริตโมหะจริตบุคคลคนโมหะจริตสัทธาจริตบุคคลคนสัทธาจริตพุทธจริตบุคคล คนพุท ธ, ธิจริตและวิตากาจริตบุคคลคนวิตกจริตอธิบายจริตบุคคลหกประเภทคนราคะจริตมีส่วนเข้ากันได้กับคนศรัทธาจริตโดยมีอธิบายว่าในสมัยที่กุศลจิตเกิดขึ้นสำหรับคนราคะจริตนั้นศรัทธามีกำลังมาก เพราะศรัทธามีคุณลักษณะใกล้กับราคะขยายความว่าในฝ่ายอากุศลราคะย่อมทําให้เยื่อใหญ่ติดใจในอารมณ์ไม่ห่อเหี่ยวฉันใดในฝ่ายกุศลศรัทธาก็ทําให้เยื่อใหยติดใจในอารมณ์ไม่ห่อเหี่ยวฉันนั้นราคะย่อมสแสวงหาวัตถุ ก, กามฉันใดศรัทธา ก็ย่อมสแสวงหาคุณมีศีลเป็นต้นฉันนั้นและราคะย่อมไม่ละวางซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ฉันใดศรัท ธ, ธาก็ไม่ละวางซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์ฉันนั้นคนโทสะจริตมีส่วนเข้ากันได้กับพุท ธ, ธิจริตโดยมีอธิบายว่าในสมัยที่กุศลจิตเกิดขึ้น สำหรับคนโทสะจริตนั้นปัญญามีกำลังมากเพราะปัญญามีคุณลักษณะใกล้กับโทสะขยายความว่าในฝ่ายอากุศลโทสะไม่เยอใหญ่ไม่ติดอารมณ์ชันใดในฝ่ายกุศลปัญญาก็ไม่เยอใหญ่ไม่ติดอารมณ์ฉันนั้นโทสะย่อมสแสวงหาแต่โทษแม้ที่ไม่มีจริงฉันใดปัญญา ก็ย่อมสแสวงหาแต่โทษที่มีจริงชันนั้นและโทสะย่อมเป็นไปโดยอาการหลีกเว้นสัตว์ชั้นใดปัญญาก็ย่อมเป็นไปโดยอาการหลีกเว้นสังขารชันนั้นโมหะจริตบุคคลมีส่วนเข้ากันได้กับวิตกจริตบุคคลโดยมีอัธยาทิบายว่า เมื่อโมหะจริตบุคคลเพียรพยายามเพื่อทำให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นนั้นวิตกผู้ทำอันตรายย่อมจิงเกิดขึ้นเสียโดยมากทั้งนี้เพราะวิตกมีลักษณะใกล้กับโมหะขยายความว่าโมหะเป็นสภาพไม่ตั้งมัน่นเพราะเกลื่อนกลาดดา ด, ดาไปในอารมณ์ชั้นใดวิตกก็เป็นสภาพไม่ตั้งมัน่นเพราะตรีตรึกนึก โดยประการต่างๆฉันนั้นและโมหะเป็นสภาพไหววันเพราะไม่อย่างลงมั่นในอารมณ์ฉันใดวิตกก็เป็นสภาพไหววันเพราะกำหนดอารมณ์รวดเร็วฉันนั้นอาจารย์พวกอื่นกล่าวว่าจริยาอื่นๆยังมีอีกสามอย่างโดยอำนาจตันหาหนึ่งมานะหนึ่งทิฏฐิหนึ่ง ในสามอย่างนั้นตันหาก็ได้แก่ราคะนั่นเองละมานะก็ประกอบด้ยวยราคะนั้นเพราะเหตุฉนี้ตันหาละมานะทั้งสองจึงไม่พ้นราคะจริตไปได้ส่วนทิฏฐิจริยาก็บวกเข้าอยู่ในโมหะจริตนั่นเองเพราะทิฏฐิมีโมหะเป็นเหตุให้เกิด ปัญหาสามข้อในจริยาหกอย่างหนึ่งจริยาหกอย่างนี้นั้นมีอะไรเป็นเหตุ 2. จะทราบได้อย่างไรว่าบุคคลนี้เป็นราคะจริตบุคคล น, นี้เป็นโทสะจริตเป็นต้นจริตใดจริตหนึ่ง 3. บุคคลจริตชนิดไหนมีธรรมะเป็นที่สบายอย่างไร วิสัชนาปัญหาข้อที่หนึ่งในจริยาหกอย่างนั้นเกจิอาจารย์กล่าวไว้ว่าจริยาสามอย่างข้างต้นมีกรรมที่ได้สั่งสมมาแต่ชาติก่อนเป็นเหตุหนึ่งมีธาตุและโทษเป็นเหตุหนึ่งอธิบายว่าบุคคลผู้มีการกระทําสิ่งที่น่าจเจริญใจและทากรรมอันดีงามไว้มากในชาติก่อน หรือบุคคลที่จุติจากสวรรค์มาเกิดในโลกนี้ย่อมเป็นคนราคะจริตบุคคลผู้สร้างเวรกรรมคือตัดช่องย่องเบาปล้นฆ่าและพันทนาจองจําไว้มากในชาติก่อนหรือบุคคลที่จุติจากนรกและกำเนิดนาคมาเกิดในโลกนี้ย่อมเป็นคนโทสะจริตบุคคลที่ดื่มน้ำเมามามาก และขาดการศึกษาการค้นคว้าในชาติก่อนหรือบุคคลที่จุติจากกําเนิดดิวรชาสมาเกิดในโลกนี้ย่อมเป็นคนโมหะเจริตเกจิอาจารย์กล่าวว่าเจริตสามข้างต้นมีกรรมที่สั่งสมมาในชาติก่อนเป็นเหตุอย่างนี้ด้วยประการชนนี้อันหนึ่งเพราะมีธาตุทั้งสองคือธาตุดินและธาตุน้ามาก บุคคลจึงเป็นคนโมหะจริตเพราะมีธาตุทั้งสองคือธาตุไฟและธาตุลมนอกนี้มากบุคคลจึงเป็นโทสะจริตและเพราะมีธาตุหมดทั้งสี่ธาตุสม่ำเสมอกันบุคคลจึงเป็นคนราคะจริตส่วนในข้อว่าด้วยโทษนั้นคือบุคคลผู้มีเสมหะมากเป็นคนราคะจริต บุคคลผู้มีลมมากเป็นคนโมหะจริตหรือบุคคลผู้มีเสมหะมากเป็นคนโมหจริตบุคคลผู้มีลมมากเป็นคนราคะจริตเกจิอาจารย์กล่าวว่าเจริยาสามขั้งต้นมีธาตุและโทษเป็นเหตุอย่างนี้ด้วยประการชนิ้มติมหาพุทธโคสะเทระ แย้งเกจิอาจารย์คําของพวกเกจิอาจารย์ทั้งหมดนี้เป็นคําที่ไม่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบเพราะเหตุนี้บุคคลผู้มีการกระทาสิ่งที่น่าจเจริญใจและทำกรรมอันดีงามไวมากในชาติก่อนก็ดีบุคคลจำพวกที่จุติจากสวรรค์มาเกิดในโลกนี้ก็ดีไม่ใช่จะเป็นคนราคาจะจริตไปเสียทั้งหมด หรือบุคคลจำพวกสร้างเวรกรรมมีการตัดช่องย่องเบาเป็นต้นไว้มากก็ดีบุคคลจำพวกนี้จุดติดจากนารกเป็นต้นมาเกิดในโลกนี้ก็ดีไม่ใช่จะเป็นคนโทสะจริตคนโมหจริตไปเสียทั้งหมดไม่ได้และการกำหนดเอาความมากของธาตุทั้งสี่โดยในยะตามที่กล่าวมาแล้วนั้นก็ไม่เป็นอย่างนั้นทีเดียวและในการกำหนดเอาโทษเล่า ก็กล่าวถึงเพียงคนราคะจริตกับโมหะจริตสองบุคคลเท่านั้นและแม้คำกำหนดด้วยอำนาจโทษนั้นก็ผิดกันทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายเพราะการกำหนดจริยาด้วยอำนาจโทษว่าบุคคลเป็นคนราคะจริตเป็นต้นด้วยมีโทษคือเสมหะเป็นต้นมากนั้นพวกเกียรติอาจารย์กล่าวว่าบุคคลมีเสมหะมากเป็นคนราคะจริตดังนี้แล้วกลับกล่าวว่า บุคคลมีเสมหะมากเป็นคนโมหจริตแล้วว่าบุคคลมีลมมากเป็นคนโมหจริตแล้วอย่างซ้ำกล่าวว่าบุคคลมีลมมากเป็นคนราคะจริตอีกเล่าและในศัทธาจริยาเป็นต้นก็มิได้กล่าวถึงเหตุแห่งจริยาอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียว มติของท่านอัตถกถาจารย์ส่วนการวินิจฉัยตามแนวมติของท่านอัตถกถาจารย์ทั้งหลายในอธิการนี้มีดังนี้กล่าวคือในการระบุเอาส่วนที่มากหนาของเหตุท่านอัตถกถาจารย์กล่าวไว้ดังนี้สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นผู้มีโลภะมากหนา เป็นผู้มีโทสะมากนาะเป็นผู้มีโมหะมากนาะเป็นผู้มีอโลภะมากนาะเป็นผู้มีอโทสะมากนาะและเป็นผู้มีอโมหะมากนาะทั้งนี้โดยนิยามแห่งเหตุมีโลภะเป็นต้นอันเป็นไปในภพก่อนดังนี้อกุศลวาระสี่ หนึ่งบุคคลใดในขณะทำกรรมโลภะมีกำลังมากแต่อโลภะมีกำลังน้อยอโทสะอโมหะมีกำลังมากแต่โทสะโมหะมีกำลังน้อยอโลภะซึ่งมีกำลังน้อยของบุคคลนั้นย่อมไม่สามารถครอบงำโลภะได้ส่วนอโทสะอโมหะมีกำลังมาก จึงสามารถครอบงำโทสะโมหะได้เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้พรางพร้อมด้วยเหตุเช่นนั้นชื่อว่าบังเกิดด้วยอำนาจปฏิสนธิวิบากอันกรรมนั้นเพลดผลให้ย่อมเป็นคนขี้โลกแต่อ่อนโยนไม่มากโกรธมีปัญญามีปรีชาญาณแหลมคมดังเพชรสอง บุคคลใดในขณะทำรรกรรมโลภะโทสะมีกำลังมากแต่อโลภะอโทสะมีกำลังน้อยอโมหะมีกำลังมากแต่โมหะมีกำลังน้อยบุคคลผู้พรางพร้อมด้วยเหตุเช่นนั้นย่อมเป็นคนขี้โลภด้วยขี้โกรธด้วยโดยในยะต้นนั่นเทียวแต่เป็นคนเจ้าปัญญามีญาณปรีชาแหลมคมดังเพชร เหมือนพระทัตตาพยะเทระเป็นตัวอย่างสาบุคคลใดในขณะทำกรรมโลภะอโทสะโมหะมีกำลังมากแต่อโลภะโทสะอโมหะมีกำลังน้อยบุคคลผู้พร่างพร้อมด้วยเหตุเช่นนั้นย่อมเป็นคนขี้โลบด้วย มีปัญญาอ่อนคือปัญญาน้อยด้วยโดยนิยต้นนั่นเถี่ยวแต่เป็นคนอ่อนโยนไม่ขี้โกรธเหมือนพระภากุลเทระเป็นตัวอย่างสี่บุคคลใดในขณะทำรรกรรมโลภะโทสะโมหะครบทั้งสามเหตุมีกำลังมากแต่อโลภะอโทสะ อโมหะเหตุมีกำลังน้อยบุคคลผู้พร่างพร้อมด้วยเหตุเช่นนั้นยอมเป็นคนขี้โลภด้วยขี้โกรธด้วยขี้หลงด้วยโดยนัยะต้นนั่นเทียวกุศลวารสีหนึ่งส่วนบุคคลใดในขณะทำกรรมอโลภะโทสะ โมหะมีกำลังมากแต่โลภะอโทสะอโมหะมีกำลังน้อยบุคคลผู้พร่างพร้อมด้วยเหตุเช่นนั้นยอมเป็นคนไม่โลภมีกิเลสน้อยแม้จะได้ประสบกับอารมณ์อันเป็นทิพย์ก็ไม่วันไหวด้ดยในยะต้นนั่นเที่ยวแต่ว่าเป็นคนขี้โกรธและมีปัญญาอ่อนคือปัญญาน้อย สบุคคลใดในขณะทำกรรมอโลภะอโทสะโมหะมีกำลังมากแต่โลพะโทสะอโมหะมีกำลังน้อยบุคคลผู้พรางพร้อมด้วยเหตุเช่นนั้นย่อมเป็นคนไม่ขี้โลภและไม่ขี้โกรธอ่อนโยนโดยนัยยะต้นนั่นเทียวแต่เป็นคนมีปัญญาอ่อนคือปัญญาน้อย 3. บุคคลใดในขณะทำกรรมอโลภะโทสะอโมหะมีกำลังมากแต่โลภะอโทสะโมหะมีกำลังน้อยบุคคลผู้พรังพร้อมด้วยเหตุเช่นนั้นยอมเป็นคนไม่ขี้โลภและมีปัญญาดีโดยในยะต้นนั่นเทียวแต่เป็นคนขี้โทโสขี้โกรธ 4. บุคคลใดในขณะทำรรกรรมอะโลภะอโทสะอโมหะเหตุทั้งสามประการมีกำลังมากแต่โลภะโทสะโมหะมีกำลังอ่อนบุคคลผู้พรางพร้อมด้วยเหตุเช่นนั้นย่อมเป็นคนไม่ขี้โลภไม่ขี้โกรธและมีปัญญาดีเหมือนพระมหาราคิตะเทระโดยนยะต้นนั่นเทียว อ ธ, ธิบายของท่านดีกาจาร์อกุศลวาระและกุศลวาระนี้ท่านดีกาจาร์ให้อธาธิบายไว้ดังนี้ก็แลในอัตถคานั้นได้วาระสิบสี่วาระคือในฝ่ายอากุศลได้เจ็ดวาระทั้งนี้ด้วยอำนาจความมากหนาแห่งเหตุมีโลภะเหตุเป็นต้นโดยจัดเป็นอย่างละหนึ่ง สาวาระอย่างละสองสามวาระอย่างละสามหนึ่งวาระคือโลภะวาระหนึ่งโทสะวาระหนึ่งโมหะวาระหนึ่งโลภโทสะวาระหนึ่งโลภโมหะวาระหนึ่งโทสะโมหะวาระหนึ่งและโลภโทสะโมหะวาระหนึ่ง ในฝ่ายกุศลก็ได้เจ็ดวาระเหมือนกันทั้งนี้ด้วยอำนาจความมากหนาแห่งเหตุมีอโลพะเหตุเป็นต้นโดยจัดเป็นอย่างละหนึ่งสามวาระอย่างละสองสามวาระอย่างละสามหนึ่งวาระคืออโลพะวาระหนึ่งอโทสะวาระหนึ่งอโมหะวาระหนึ่งอโลพะอโทสะวาระหนึ่งอโลพะอโมหะวาระหนึ่ง อโทสะอโมหาวาระหนึ่งอโลพะอโทสะอโมหาวาระหนึ่งในสิบสี่วาระนั้นท่านอตถกถาจารย์แสดงเป็นเพียงแปดวาระเท่านั้นด้วยจัดวาระในฝ่ายอากุศลเป็นสามวาระในฝ่ายกุศลเป็นสามวาระเข้าไว้ในภายในดังนี้ในฝ่ายกุศล ท่านถือเอาโทสุสัทวาระด้วยวาระที่สามถือเอาโมหุสัทวาระด้วยวาระที่สองและถือเอาโทสะโมหุสัทวาระด้วยวาระที่หนึ่งซึ่งมาในอัตถกานั้นว่าอโลภะโทสะโมหะมีกำลังมากอโลภะโทสะโมหะมีกำลังมากอโลภะโทสะโมหะมีกำลังมาก ในฝ่ายอากุศลก็เหมือนกันท่านถืออาโทสุตสทาวาระด้วยวาระที่สามถือเอาอโมหุสทาวาระด้วยวาระที่สองและถือเอาอัลโทสะอโมหุสทาวาระด้วยวาระที่หนึ่งซึ่งมาในอัธกถานั้นว่าโลภะอโทสะโมหะมีกำลังมากโลภะโทสะอโมหะมีกำลังมาก โลภะอโทสะอโมหะมีกำลังมากอ ธ, ธิบายของท่านดีกาจาร์ยกมาจากปรมัตถมันชุสาดีกาเพื่อให้นักศึกษาได้ความแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นก็แลในอัตถกถานั้นบุคคลใดที่ท่านอัตถกฐาจารย์กล่าวไว้ว่าเป็นคนขี้โลภดังนี้บุคคลนั้นเป็นคนราคะจริต บุคคลที่ขี้โกรธและบุคคลมีปัญญาอ่อนเป็นคนโทสะจริตและคนโมหะจริตบุคคลผู้มีปัญญาดีเป็นคนพุทธิจริตบุคคลผู้ไม่โลภไม่โกรธเป็นคนศรัทธาจริตเพราะมีปกติเลื่อมใสศรัทธาอีกในยะหนึ่งบุคคลที่บังเกิดมาด้วยกรรมอันมีอโมหะเป็นบริวาร เป็นคนพุท ธ, ธิจริตฉันใดบุคคลที่บังเกิดมาด้วยกรรมอันมีศรัทธาที่มีกำลังมากเป็นบริวารก็เป็นคนศรัทธาจริตฉันนั้นบุคคลที่เกิดมาด้วยกรรมซึ่งมีกามวิตกเป็นต้นเป็นบริว so รารเป็นคนวิตกจริตบุคคลที่บังเกิดมาด้วยกรรมซึ่งมีความผสมกับโลภะเป็นต้นเป็นบริวาร จัดเป็นคนมีจริตเจือปนนักศึกษาพึงทราบว่ากรรมอันให้เกิดปฏิสนธิวิบากซึ่งมีโลภะเป็นต้นแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นบริวาร น, นับเป็นเหตุแห่งจริยาทั้งหลายด้วยประการชนนี้วิสัชนาปัญหาข้อที่สอง ในปัญหาที่ข้าพเจ้าตั้งไว้มีอาทิาว่าจะพึงทราบได้อย่างไรว่าบุคคลนี้เป็นคนราคาจริตชนนี้นั้นมีแนวทางที่จะให้ทราบได้โดยบทประพันธ์ทักาดังนี้อิริยาปถทะโตกิจาโภชนาทัศนาทิโตธรรมปวัตติโตเจวะจริยาโย ο, พิวาวเย นักศึกษาพึงทราบจริยาทั้งหลายได้โดยประการเหล่านี้คือโดยอิริยาบถโดยการงานโดยอาหารโดยการเห็นเป็นต้นและโดยความเกิดขึ้นแห่งธรรมหนึ่งโดยอิริยาบถในประการเหล่านั้นข้อว่าโดยอิริยาบถมีอัธยาที่บายว่าคนราคะจริต เมื่อเดินอย่างปกติย่อมเดินไปโดยอาการอันเรียบร้อยค่อยๆวางเท้าลงวางเท้ายกเท้าอย่างสม่ำเสมอและเท้าของคนราคาจริตนั้นเป็นว้าวกลางคนโทสะจริตย่อมเดินเหมือนเอาปลายเท้าขุดพื้นดินไปวางเท้ายกเท้าเร็วและเท้าของคนโทสะจริตนั้นจิกปลายเท้าลงคนโมหะจริต ย่อมเดินด้วยกิริยาที่สายไปข้างๆวางเท้ายกเท้าเหมือนกับคนที่สะดุ้งตกใจและเท้าของคนโมหจริตนั้นลงส้นข้อนี้สมด้วยคำที่อัทธกถาจาร์กล่าวไว้ในอุปปฏิแห่งคันธยาสูตรว่าคนขี้กำหนัดเท้า ว, ว้ากลางคนขี้โกรธเท้าจิกปลายลงคนขี้หลง เท้าลงส้นส่วนเท้าชนิดนี้นี้เป็นเท้าของท่านผู้ละกีเลสเหมือนดังหลังคาได้แล้วแม้อิรยาบทยืนของคนราคาจริตก็มีอาการหวานตานาเลื่อมใสของคนโทซาจริตมีอาการแข็งกระด้างของคนโมหะจริตมีอาการซุ่มซ่าม แม้ในอิริยาบถนั่งก็มีนัยยะเช่นเดียวกันนี้ส่วนอิริยาบถนอนคนราคาจะจริตไม่รีบร้อนปูที่นอนอย่างสม่ำเสมอค่อยคอยนอนทอดองค์อาบยวะลงโดยเรียบร้อยนอนหลับด้วยอาการอันน่าเลื่อมใสและเมื่อปลุกให้ตื่นก็ไม่ผลุนผลันลุกขึ้นขานตอบเบาๆ เ, เหมือนคนมีความรังเกียจ คนโทสะจริตรีบร้อนปูที่นอนตามแต่จะได้ทอดกายผุงลงนอนอย่างเกะกะไม่เรียบร้อยและเมื่อปลุกให้ตื่นก็ผุนผานลุกขึ้นขานตอบเหมือนกับคนโกรธคนโมหะจริตปูที่นอนไม่ถูกฐานผิดรูปนอนทอดกายสายไปข้างน้นข้างนี้ความหน้ามากและเมื่อปลุกให้ตื่น ก็มัวทำเสียงฮื้อฮื้ออยู่ลุกขึ้นอย่างเชื่องช้าส่วนคนศรัทธาจริตเป็นต้นเพราะมีส่วนเข้ากันได้กับคนราคะจริตเป็นต้นฉะนั้นแม้คนศรัทธาจริตเป็นต้นจึงมีอิริยาบถเหมือนกับคนราคะจริตเป็นต้นนั่นเทียวนักศึกษาพึงทราบจริยาทั้งหลายโดยอิริยาบถเป็นประการแรก ด้วยประการชนนี้ 2. โดยการงานข้อว่าโดยการงานนั้นมีอา ธ, าธิบายดังนี้ในการงานต่างๆเช่นการปัดกวาดลานวัดเป็นต้นคนราคาจริตจะไม่กวาดอย่างเรียบร้อยไม่รีบร้อนไม่คุยดินทรายให้เหลื่อนกลาด กวาดสะอาดราบเรียบเหมือนลาดพื้นด้วยเสือปอและดอกไม้คนโทสะจริตจับไม่กวาดแน่นมากถ้าทางรีบร้อนคุยเอาดินทรายขึ้นไปกองไว้สองข้างกวาดเสียงดังกรากกากแต่ไม่สะอาดไม่เรียบราบคนโมหะจริตจับไม่กวาดหลุ่มลุมกวาดวนไปวนมาทําให้ดินทรายเละอยากเยื่อกาดเกลื่อนไม่สะอาด ไม่เรียบร้อยในกรณีปัดกวาดฉันใดแม้ในการงานทั่วๆวไปเช่นการซักจีวรย้อมจีวรเป็นต้นก็เหมือนกันคนราคะจริตทําอย่างละเอียดละออเรียบร้อยสม่ําเสมอและด้วยความตั้งใจคนโทสะจริตมักทําอย่างเคร่งเครียดเข้มแข็งแต่ไม่สม่ําเสมอคนโมหจริต มักทำไม่ละเอียดละออุ่มง่าไม่สม่ำเสมอและไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์แม้การนุ่งห่มจีวรสำหรับคนราคาจริตนุ่งห่มไม่ตึงเกินไม่หลวมเกินนุ่งห่มเป็นปริมนทนหน้าเลื่อมใสสำหรับคนโทสัจจริตนุ่งห่มตึงเปรี้ยไม่เป็นปริมนทนสำหรับคนโมหจริต นุ่งห่มหลุมหลวมพระรูงพระรังส่วนคนศรัทธาจริตเป็นต้นพึงทราบโดยทํานองแห่งคนราคาจะจริตเป็นต้นนั่นเทียวเพราะเป็นผู้มีส่วนเข้ากันได้กับคนราคาจะจริตเป็นต้นเหล่านั้นนักศึกษาพึงทราบจริยาทั้งหลายโดยการงานด้วยประการชนนี้สาม โดยอาหารข้อว่าโดยอาหารนั้นมีอถาธิบายดังนี้คนราคะจริตชอบอาหารที่มีรสหวานจัดและเมื่อบริโภคก็ทำคำข้าวกลมๆไม่ใหญ่จนเกินไปมีความต้องการรสเป็นสําคัญบริโภคยังไม่รีบร้อนและได้อาหารที่ดีๆแล้วจะเป็นอะไรก็ตามย่อมดีใจ คนโทสะจริตชอบอาหารที่ไม่ประณีตมีรสเปรี้ยวและเมื่อบริโภคก็ทำคําข้าวซีใหญ่จนเต็มปากไม่ต้องการโอชารสบริโภคอย่างรีบร้อนและได้อาหารที่ไม่ดีแล้วจะเป็นอะไรก็ตามย่อมเสียใจคนโมหจริตไม่ชอบรสอะไรแน่นอนและเมื่อบริโภคก็ทำคําข้าวเล็กๆไม่กลมกลม่อม ทำมเมล็ดข้าวหกเรียราในภาชนะริมฝีปากเปื่อนเปร่ะบริโภคยังมีจิตฟุง้งซ่านนึกพลานไปถึงสิ่งนั้นๆฝ่ายคนศรัทธาจริตเป็นต้นก็พึงทราบโดยทรนองของคนราคาจริตเป็นต้นนั่นเทียวเพราะเป็นผู้มีส่วนเข้ากันได้กับคนราคาจริตเป็นต้นนั้น นักศึกษาพึงทราบจริยาทั้งหลายโดยอาหารด้วยประการชนนี้สโดยการเห็นเป็นต้นข้อว่าโดยการเห็นเป็นต้นนั้นมีอัธาธิบายดังนี้คนราคะจริตเห็นรูปที่น่าเจริญใจแม้นิดหน่อยก็เกิดพิศวงแลาดูเส้นนา น, า น, าน ยอมคล้องติดอยู่ในคุณเพียงเล็กน้อยไม่ถือโทษแม้ที่เป็นจริงแม้จะหลีกพ้นไปแล้วก็ไม่ประสงค์ที่จะปล่อยวางหลีกไปทั้งทั้งที่มีความอาลัยถึงคนโทษะจริตเห็นรูปที่ไม่น่าจเจริญใจแม่นิดหน่อยก็เป็นดุดว่าลำบากใจซื้อเต็มทีทนแลดูนานๆไม่ได้ยอมเดือดร้อนเป็นทุกข์ในโทษแม้เพียงเล็กน้อย ไม่ถือเอาคุณแม้ที่มีจริงแม้จะหลีกพ้นไปแล้วก็ยังปรารถนาที่จะพ้นอยู่นั่นเองหลีกไปยังไม่อะไรถึงคนโมหจริตเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วยอมอาศัยคนอื่นกระตุ้นเตือนครั้นได้ยินคนอื่นเขานินทาก็นินทาตามครั้นได้ยินคนอื่นเขาสรนเสริญก็สันเสริญตาม ส่วนลำพังตนเองเฉยๆด้วยความเฉยเพราะไม่รู้แม้ในกรณีที่ได้ฟังเสียงเป็นต้นก็มีในยะเช่นเดียวกันนี้ส่วนคนศรัทธาจริตเป็นต้นพึงทราบโดยทํานองของคนราคาจะจริตเป็นต้นนั่นเทียวเพราะเป็นผู้มีส่วนเข้ากันได้กับคนราคาจะจริตเป็นต้นนั้นนักศึกษาพึงทราบจริยาทั้งหลาย ด้วยการเห็นเป็นต้นด้วยประการชนนี้หาโดยความเกิดขึ้นแห่งธรรมข้อว่าโดยความเกิดขึ้นแห่งธรรมนั้นมีอธิบายดังนี้อกุศลธรรมมีอาธิอย่างนี้คือความเสแสร้งความโอ้อวดความถือตัว ความปรารถนาลามกความมักมากความไม่สันโดษความมีแง่งอนความมีเล่เหลี่ยมย่อมเกิดขึ้นมากแก่คนราคะจริตอกคุโลรธรรมมีอาทิอย่างนี้คือความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ความตีเสมอความริษยาและความตรณีย่อมเกิดขึ้นมากแก่คนโทสะจริต อกุศลธรรมมีอาทิอย่างนี้คือความหดหู่ความเสื่อมซึมความฟุ้งซ่านความรำคาญใจความสงสัยความยึดถือมั่นด้วยสำคัญผิดและความไม่ปล่อยวางย่อมเกิดขึ้นมากแก่คนโมหจริตกุศลธรรมมีอาทิอย่างนี้คือความเสียสละเด็ดขาดความใครเห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายความใครฟังพระสัตธรรม ความมากไปด้วยปราโมทความไม่โอ้อวดความไม่มีมานยาและความเลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสย่อมเกิดขึ้นมากแก่คนศรัทธาจริตกูรูสนุธรรมมีอาทิอย่างนี้คือความเป็นผู้ว่าง่ายความเป็นผู้มีมิตรดีความรู้จักประมาณในโภชนะอาหารความมีสติสัมปชัญญะความมั่นประกอบความเพียร ความเศร้าสลดในฐานะที่ควรเศร้าสลดและความเริ่มตั้งความเพียรโดยแยบคายของผู้เศร้าสลดแล้วย่อมเกิดขึ้นมากแก่คนพุท ธ, ธิจริตอกุศละธรรมมีอาทิ ย, ยางนี้คือความมากไปด้วยการพูดความยินดีในหมู่คณะความไม่ใยดีในการภาวนากุศลธรรมความมีการงานไม่แน่นอน ความบังหวนควันในเวลากลางคืนความลุกโครงในเวลากลางวันและความคิดพลานไปโ น, น่นโ น, น้นนี่นี่ย่อมเกิดขึ้นมากแก่คนวิตกจริตนักศึกษาพึงทราบจริยาทั้งหลายด้วยความเกิดขึ้นแห่งธรรมด้วยประการชนี้